พุทธวัจน์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะดิฉันสรรสณีอุดรธานี มาเป็นเวลาช้านานนะคะแล้วค่ะเทศกาลเข้าพรรษาผ่านไปดิฉันอืมเค้าบอกว่าออกพรรษาแล้วกลับมา การต้องอภิปรายประเด็นก่อนนะเริ่มแสดงการ 3 เดือนที่ผ่านมาอันนี้ 3 เดือนนี้ 3 เดือนนั้นดีแล้ว นะเหมือนออกมาสว่างแล้วแล้วกลับเข้าไปสู่ที่มืดอีกอันนี้เราต้องถามตัวเองนะว่าเอ๊ะเรา 3 เดือนที่ผ่านมาเอ่ออยู่ด้วยกันนะประเด็นของสําหรับบ้าง นะในวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็จึงอนุญาตให้มีกิจกรรมที่เรียกว่ามีการตักเตือนซึ่งกัน เพราะว่าที่ 9 เดือนน่ะคุณจะไม่ได้ปฏิบัตินี่ถือว่าขาดทุนสู้คุณ 9 เดือนแล้ว 3 เดือนคุณ 12 เดือนเนี่ยคุณไม่ควรประมาทอยู่แล้วเอ่อสิ่งที่ ประเด็นก็คือว่าแล้วถ้าเรามีเพื่อนชั่วล่ะเพื่อนมันชักชวนไปไม่ดีอ่าเราก็ จะเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ใน อ่ารู้จักให้อภัยอืมๆรู้จักที่จะมองคนเนี่ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เค้าเรียกเป็นอริยะประเพณีให้ให้เตือนเนี่ยจะ เป็นในระดับสาบกเนี่ยเอ่อการทําความ 1 ก็<ใช> เรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยท่านใช้หลักธรรม นะเกิดมาเพื่อที่จะผุกร่อนเหล็กตัวนั้นนะหรือว่าเปรียบเหมือนกับ เออซึ่งซึ่งกิเลสตรงนี้จะแก้ได้ยังไงนะก็อ่ามีเรื่องของเมตตานั่นเองพระเจ้าบอกว่าเจริญเอ่อเมตตาเมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยคือการเจริญ นะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เจริญเมตตามาแล้วแต่ก่อน มีแต่ความแกสเนี่ยไปหมดไม่ได้นะเราจึงต้องทําจิตเราให้เป็นน้ําเป็นอย่างเอ่อมี นะแต่ถ้าคําพูดคําเดียวกันออกจากปากคนเดียวกันนะๆเนี่ยเอ่อมันไม่ได้มาจากภาษา แต่เมตตาก็เป็น 1 แตเมตตาก็เป็น 1 เมในนั้นค่ะแต่สําหรับพระพุทธองค์ที่ตรัสเอาไว้เนี่ยท่านหมายความว่าเจริญเมตตาเพียงอย่างเดียวช่วยได้เลยอย่างนั้นรัก เอ่อเค้าก็คือไม่มีข้อแม้ว่าอันคอนดิชั่นก็คือไม่มีข้อแม้นะเหมือนๆหรือ นะที่มองสัพพสัตว์ไปด้วยความรัก นะเราจะทรงจิตให้เป็นไปด้วยเมตตามีนิดๆหน่อยๆแต่เพราะฉะนั้นเราจะเจริญเมตตาได้คือจิตคุณต้องมีสมาธิมาก่อนนะจิตเราเป็นสมาธิมาก่อนเรา ที่เบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังทั่วๆทางเสมอหน้ากันหมดค่ะคือๆไปที่ท่านแต่บางทีบางคนนี้อย่างที่ท่านพูดหมายเอ่อ หากสมมุติว่ามันมีอคติฝังใจกับสิ่งนี้ว่ามันเป็นอ่าผูกเวรแล้วๆปีนะฉันเจริญ อ่าแสดงว่าคุณผูกเวรกับเขาล่ะคุณผูกเวร 1 ใน 5 ประการด้วยนะพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงวิธี แต่ตัวเราไปปลูกเป็นข้าวเหม็ดแต่ถ้าเขามาปลูกกับเรานี่อันนั้นเรื่องยกเรื่องนี้ไปก่อนนะเรากําลังพูด 1 เป็นคน 2 เป็นคนที่ ข้อที่ 3 ต้องเป็นผู้ประพฤติปรมจรรย์ในรูปแบบ 8 ขึ้นสีศีล 8 นี่จะช่วยคุณได้ศีล 8 กับศีล 5 นี่อันนี้ 2 <อ>นี่ห่างธรรมดาเนี่ย 8 ศีล 8 นี่ดีกว่ามากแน่นอนนะอ๋อเหรอค่ะ<อ> และแล้วข้อที่ 5 เป็นผู้มีการบริจาคมีการให้นะการ <ม. S 1> 5 อย่างนี้แล้วนะคือคุณคุณปฏิบัติธรรมละคุณมีใจดีละก็ค่ะเปเป 5 ข้อ ถ้าให้มีสมาธิก่อนให้ไปเจริญเมตตาโทสะพื้นๆให้มีสมาธิก่อนให้ไปเจริญเมตตาโดยอ่าเค้าเรียกว่าไม่ขี้โกรธคือไม่ให้เจ้า ถ้าผูกเวรเนี่ยผลมันคืออะไรนะคะพูดถึงผลไม่ดีอ่ะค่ะผลที่ เราคงจะบอกกับตัวเองว่าขออย่าได้เจอกับใช่เพราะว่าอยู่ดัง 0.5 หรือ 8 ก็ได้แต่ 8 จะได้ผลมากกว่า 8, 8 แน่อ๋อเหรอคะท่านคะใช่อู้งั้นเดี๋ยว ค่ะละบุญอย่างเนี้ยดิฉันเข้าใจว่ามันเหมือนๆใช้เต็มเวลาเลยค่ะท่านคะพรุ่งนี้ก็คง สำหรับท่านที่เคารพค่ะท่านไผ่บุญนะคะท่านก็อยู่วัดป่า พระสงฆ์เคยมาจัดกิจการที่นี่แต่ว่าฤดูกาลเนี้ยแทบทุกเดือนหลังจากออกพรรษาบางคน